วันเกิดหลวงพ่อสดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปพ่อมาเหนื่อยคือมาจากกรุงเทพมาถึงวัดแล้วพอ่อจะว่านลืมก็ใช่ <c oughs> พ่อมาพระก็ไม่ได้บอกแต่หลวงพ่อบอกรู้ก่อนนะคิดว่าวันเกิดหลวงพ่อสดจะเสร็จแต่วันที่สิบเจ็ดต่ตามไม่จริง 17, สิบเจ็ดสวดมนต์เย็นสิบแปดจักบาทฉันเช้า หลวงพ่อก็มาเย็นมาที่สิบเจ็ดกลางคืนพอมาแล้วก็ฝนตกที่วัดต่างหาทั้งลมด้วยลมแรงด้วยนะแต่เราออกไปถามข้างนอกไม่มีลมแต่อยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยลมแรงเย็นมาที่สิบเจ็ดมิถุนาห้าห้าหลวงพ่อเกือบขึ้นคุติไม่ได้นะพอมาถึงสลาอู่ทำไมลมแรงขนาดนี้กลัวกิ่งไม้จะหล่นก็เท่ากัน แต่ไม่กลัวอะไรหรอกลมขนาดในต้นไม้โคนคงจะไม่โคนแต่กิ่งไม้แห้งในต้องระวังอีกเหมือนกันแต่ก็เป็นที่พอใจที่ทอดผ้าป่าพออพิบาลสงหลวงปู่มั่นผูริทัตโตเมื่อวันที่สิบเจ็ดช้า ว, วันที่สิบเจ็ดก็พระสงฆ์และคณะสัทธ า, ญญาติโยมให้ความสนใจพอสมควรได้ปัจจัย คงจะหล้านกว่าน่ะเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าได้หล้านห้าล้าน9 0 0 0แสนกว่าบาทแต่เงินยังไหลทะลักมาอยู่หลพ่อผู้ที่โอนเข้ามาก็มีพราได้ยินทราบข่าวแล้วก็วัดต่างๆเอามาสมทบที่มาไม่ทันก็มีตามปกติเราจะทอดผ้าป่าบ่ายโมงแต่เมื่อวันที่17บเจงพ่อว่าฉันยังหันเสร็จแล้วก็ทอดกันเลยละต่วัดต่างๆ ท่านมันก็มาไม่ทันทยอยมาเรื่อยแต่คงจะหล้านกว่าแต่ก็ใช้เงินใช้สตุปปัจจัยดูแลพระสงฆ์ทั้งปีปีหนะ้าี่กับห้าสิบห้าเนี่ยมาถึงวันที่17เนี่ยใช้เงินทั้งหมดสองล้านหแสนหนึ่งบาทที่เขารายงานหลวงพ่อวันเมื่อวันนั้นก็ใช้มากพอสมควรอยู่ แล้วจะใช้อะไรเนี่ยใช้คือเขาบอกว่ายามะเร็งนี่แพงมากแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่เป็นมะเร็งแล้วก็มาเพื่อรักษายาเพียงครั้งเดียวเป็นแสนแ้ก็ผมก็เลยได้พิจารณากันว่าจะเอาอยัางไงพอจะให้ถ้าว่ารักษาองค์ละแสนสองแสนเนี่ยก็ ปัจจัยก็คงจะไม่เพียงพอคนะณะกรรมการดูแลเงินก็นเลยให้ไปบางส่วนอันนี้แหละคือยามะเมล็งโดยมากมันแพงแล้วก็พวกล่างไตก็เป็นการจ่ายเงินแบบต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายตัวยายาหลายตัวที่จะต้องได้เพิ่มเงินให้กับโรงพยาบาลส่วนกลางแล้วก็พระที่ผาตัดหัวใจ เกี่ยวกับหัวใจอีกแล้วเราก็ต้องไปคุมไปดูแลนอกพื้นที่อีกคือในพื้นที่ก็คือหอภิบาลสงหลวงปู่มั่นแต่เจ้นี้พระที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องไปนอนที่ตึกหัวใจเองหมู่นี้ที่เจ้นี้ก็คงจะคุ้มครองไปถึงพระที่ไปนอนตึกสศรษิกิจตึกหัวใจอีกเที่เขาประกาศในวันนั้นหลวงพ่ออืม จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเดีย๋ยวข้อสําคัญก่อนให้ไปตามทํานองทองทำอย่าให้มันรั่วมันไหลนะทามันรั่วมันไหลเอออ น, นั้นไม่ดีถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อก็เชื่อเชื่อในฝีมือของผู้ดูแลปัจจัยเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหลวงตามหาบัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพด้วย ที่ดูแลจะถูปัจจัยชุดก่อนนี้ชุดนี้นี่ที่หลวงพ่อได้แต่งตั้งไว้หลวงพ่อก็มั่นใจได้เชื่อใจในท่านเหล่าท่นานเพราะฐานะการเป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเป็นรองศาสตราจารย์แพทย์เป็นศาสตราจารย์หมอในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลวงพ่อก็บอกอให้ดูแลแทนหลวงพ่อนะ แต่หลวงพ่อในนามเจ้าของบัญชีนะหลวงพ่อเซ็นไว้ให้ที่บัญชีออมทรัพย์ที่เงินไหลเข้ามาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์เนอะอันนี้ก็เรื่องการเงินการทองนะี่มันก็อย่างว่าอีกเหมือนกันถ้าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆถ้าไม่มีคุณธรรมในจิตใจจริงๆมันไม่ใจกันลำบากเหมือนกัน แต่บางครั้งเราจะไปไว้ใจตลอดไปก็ไม่ได้บางครั้งก็ต้องสอบอีกเหมือนกันตรวจสอบไม่ว่าอยู่ในสถานที่ในสถานะไหนเพราะไว้ใจภัยจึงตามมาในพระบาลีของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมามาพิจรารณาดูแลแต่หลวงพ่อจาบาลีไม่ได้นะเพราะความไว้ใจ เมื่อความไว้ใจความไว้ใจคือความชลาดใจคือมอบความไว้วางใจจากนั้นผลที่เรามอบความไว้วางใจทั้งเกิดเต็มไปด้วยกิเลสอีกเหมือนกันโลภโกรธหลงอยู่ในใจพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกเลยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ต้องไม่ได้คิดว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดเนี่ยตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ก็คว้าไปก่อน พอคว้าไปก่อนบางทีมันไม่ใช่ก้อนน้อยมันเป็นก้อนใหญ่มันจะเถื่อนเลนะปัญหาก็ตามมาเลยเมื่อปัญหาตามมาก็แลถูกฟอก้องถูกร้องถูกกาวติดชิ้นเดินทานะกล่าวร้ายเพราะความไว้ใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเป็นหัวหน้าทุกแผนงานอย่าไปไว้ใจจนเกินไป แล้วจะไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ทำไมไว้ใจก็ม่ไว้ใจแสดงว่าเขาผู้อยู่ใกล้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าระแวงแคลงใจกันอยู่งานก็ไม่เดินอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไว้ใจจนเกินไปก็ทำให้เรามัวหองมากกว่านั้นก็เสียหายได้อีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ป อ, อบครอบ แต่รอบครอบเพราะที่จะรอบครอบได้บางทีมันก็เกินวิสัยเราก็มีอีกเหมือนกันเกินวิสัยแล้วก็ทิ้งให้กรรมกรรมคือการกระทําเราคงทํากรรมไว้ไม่ดีในอดีตมันจึงมีผลตามมาถึงวันนี้เราทํากรรมไม่ดีไว้ในอดีตผลกรรมที่เราได้ทําไว้แล้วในอดีตมันคงจะส่งผลมาถึงปัจจุบันในขณะนี้ตั้งแต่บัดนี้ไปสิ่งใดก็ตาม ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะละเว้นเราจะห่างไกลในการกระทำนั้นกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะให้ผลตามเมื่อภายหลังนี่แหละสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนเรื่องกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจิตใจพร้อมที่จะปัทุขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลา เว้นเสียแต่พระอรหันต์กำรราบปดแล้วใจพระอรหันต์คือใจบริสุทธิ์ใจไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงไม่มีในใจฉันทากติโทสกติโมหากติพยาคติอักติสีไม่มีในพระอรหันต์ถ้านอกจากนั้นมาถึงจะเป็นผู้ถือกฎหมายก็เถอะเอที่ยงว่าผีปากสาอายการยุติธรรมขนาดไหนเถอะ แต่ถ้าว่ากิเลสเขาอยู่ยังอยู่ในใจแล้วความอาจัจฉริธรรมเนี่ยมันต้องมีอยู่ในใจมันต้องมีอยู่ในนั้นพอยุติธรรมคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมอจัจฉริธรรมเลยคือมีอันนมนาเลยแปลว่านะความไม่ยุติธรรมก็มีอยู่ในนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิเลสโลภโกรดหลงราคะโทสะโมหะยังอยู่ในใจของผู้ถือกฎหมายนั้นแปลว่าอาจัจฉริธรรม นี่แหละเมื่อมีอาดำหน้าแล้วก็ฉันทากติโทสักติโมหกติพยากติก็มีเกิดขึ้นตามมาอีกอย่างพระอรหันท่านไม่ทําผิดเลยเหรอในชุมชนสังคมแต่หลวงพ่อวันในใจของท่านเนี่ยไม่ผิดเลยร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเ อ, เอาข้อมูลเข้าไปยื่นข้อมูลเข้าไป ท่านอาจจะไม่ได้มองไม่ได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงท่านก็พูดตามหลักเหตุผลออกมาในผู้ให้ข้อมูลนั้นๆมันอาจจะผิดได้เนี่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ถ้าใส่ข้อมูลเข้าถูกต้องเครื่องคอมพิวเตอร์มันก็คิดออกมาถูกต้องแต่คนที่ยื่นซอทข้อมูลเข้าไปให้ป้อนข้อมูลเข้าไปไม่ถูกต้องคอมพิวเตอร์ตอนนั้นมันก็ต้องคิดผิดอีกเหมือนกัน เพราะอะไรเพราะให้ผู้ให้ข้อมูลผิดนะอันนี้ก็เนะี่ยแหละพ ร, าารนะรหันน์เนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไม่มีอะไรที่จะตรงยิ่งกว่าพระไทยหรือใจของพระอรหันต์แต่ว่าปุตุชนให้ข้อมูลเข้าไป<ม>บางทีท่านก็ไม่ได้ตรวจสอบแท่านก็พูดออกมาตามที่ได้ทับข้อมูลมาเพราะว่าอย่างพระรหันนมีอยู่หลายหลายประเภทหลายจําพวก อย่างพระหันสุ ข, ขะวิปัสโกท่านรู้แต่ว่าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระหันท่านไม่รู้เรื่องอดีตอนาคตรู้ว่าใจของท่านบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วอันนี้คือพระหันสุ ข, ขะวิปัสโกที่ว่าเดินวิปัสนาและเดินปัญญาล้วนขนาดอันนี้เตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปัตโต พระอรหันต์อีกสามจำพวกนั้นในเมื่อเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นท่านก็ทําไปแต่มาทบทวนอีกทีหนึ่งท่านจะรู้ได้ว่าเอออันนี้โดนเขาหลอกโ ด, โดนเขาต้มเรื่องราวไม่จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ก็มีแต่ว่าเราก็มาพิจารณาอีกอ่านอีกในพระไตรปิฎกอย่างพระอราหันต์บางครั้งเ อ, อท่านก็คงจะไม่กลาง ยาณทัศนะของท่านอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านกลางอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงจะเห็นใจคนนั้นคิดอย่างนี้ใจคนนั้นคิดอย่างนี้ท่านคงจะเบื่อเวียนปวดเฉียนเวียนก้าเหมือนกันนะเผลอจะอาเจียนอยู่ตลอดก็ได้เพราะเหตุกิเลสของคนอยู่ในใจคนหนึ่งโลภกันงลงโกรธกันลงหลงคันหนึ่งลาคะคนหนึ่งโทสะกันหนึ่งโ ม, โมห่หะใจของผุุ้ชนมันใจก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาและท่านคงจะไม่ ถ้าเป็นเสือหรือเป็นแมวท่านคงจะหกเล็บไว้ก่อนอยู่ในอุ้งมือของท่านแต่พอเห็นอะไรเกิดขึ้นะท่านคงจะกางเล็บดูนะแล้ว่ากางจอเรดาร์ดูเออมันเป็นอะไรเรื่องนี้วะท่านคงจะใช้ยาในทัศนะของท่านแต่ทางปกติแล้วท่านก็คงจะเก็บเงียบา น, นคงจะรู้ในผัสไยใจของท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันนั้นกับเป็นเรื่องของเด็กทั้งหลายทั้งปวงเรื่องกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวง ท่านคงจะไม่มองนงะแต่ถ้ามันจะกระเทือนจริงมันจะเข้ามาสู่วงการแล้วเข้ามาหาตัวท่านนะท่านคงคงจะกลางเรดาร์ขึ้นมาดูเรื่องราวมันเป็นยังไงลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อคิดว่านะอันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะไม่มีในมัตรไตรปิฎกที่พูดเอาไว้แต่หลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างพระหรหันอย่างในพระไตรปิฎกนะบางทีท่านยังถูกลูกสิทธิ์หล อ, อกได้ะ อย่างพระมาหากัะสปะท่านอยู่ในป่าตามลําพังกับพระอยู่สามองค์ด้วยกันอยู่กับท่านแต่มีพระองค์หนึ่งประจบสอพลอดเวลาทําอะไรก็บอกว่าตัวเองทําทั้งหมดแต่องค์ที่ทำนั้เป็นคนไม่พูดแต่องค์ที่เข้ามาใกล้เป็นพระที่ชอบพูดเอาใจเอาใจเจ้านายเอาใจพระอาจารย์เอาใจหลวงปู่ เวลาองค์หนึ่งพอถึงเวลาบ่ายองหนึ่งก็ไปต้มน้ำํำไปต้มน้ําน้ําส่งแต่ทุกอย่างมันเอาเปรียบมาตลอดแล้วล่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังเอาเปรียบอีกองค์นี้ไปต้มน้ําพอไปต้มน้ําองค์นี้ก็ตื่นขึ้นมาไปพักผ่อนตื่นแล้วมามองเห็นน้ําในหมอกมีควันฉลุยขึ้นมาแล้วกันนี่แหละเข้าไปกราบพระมหาเทระพระมหากัสจป่า ขอากาบท่านจะมาทุกวันนี้ก่อนขอาการครับหลวงปู่ครับเยผมต้มน้ําเดือดแล้วครับทีนี้ก็องค์ปู่เออได้เวลาส่งน้ำเออไปไปส่งน้ํำไปส่งน้ําเสร็จแล้วก็วันลงขึ้นเคยทาอย่างเก่าแต่องค์ที่ทํางานเนี่ยทำยังไงว่าจะแก้เผ็ดองค์นิวารผลที่สุดก็เลยไปบอก พอไปต้มน้ําเสร็จแล้วก็เอไปตักน้ำบ อ, อกให้หมดป่ะเอาเทน้ำบ อ, อกให้หมดยังเหลือน้ําอยู่นิดน้อยนิดนึงก็ถอยไฟเอาไว้พอได้องค์นั่เห็นฟันสลุยขึ้นมาอีกองค์นี่ก็ไปบอกอหลวงปู่ครับเยผมต้มน้ําเสร็จแล้วครับในมนรคหลวงปู่ไปส่งน้ําครับส่งน้ําอุ่นส่งน้ําร้อนเพราะอายุมากเลยอินเดียนะทีนี้ก็พอไปแต่เนี่ย องนั้นไม่ได้สนนะบางองไม่ไปกันนะั่นแป็นเจ้ากี่เจ้ากานะไปกันล้วงกระบวยลงไปไปสูตรถังน้ำนะํำมันไม่มีน้ำเลยเลยบังโกกราบเลยนะทีนี้ขึ้บ่นพุมพมพมมาเลยนะเอย๊มันทาอย่างนี้ทําได้แลนะ้วนี่ยังงุ่นยังเี้แต่องค์ที่ต้มน้ําเขาเอากบกระปองน้ําไปซ่อนไว้ทั้งหลังที่อาบน้ำํำหลังที่กําบังไว้ แต่นั้นเขาก็หิวน้ำนะขึ้นมาถวายท่านอพระมหาเีระ ก, ก็เห็นมาาะนั้นท่านก็บอกท่านเนยท่านไม่ได้ทำอย่าไปบอกว่าท่านทําสิเพราะว่าการพูดเอาหน้าเข้าตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องอยงผู้ใดทําก็ต้องผู้นั้นทำํำทางคำว่ า, าผู้ใดไม่ทําก็ไปเอาผลงานของคนอื่นเขาเนะี่ยมันไม่ถูกตามหลักธรรมนะอคล้ายวคำ มันหลบเลี่ยงตลีดไปในลักษณะโกโหกเสียมากกว่าท่านอย่าทําอย่างนี้ต่อไปมีอะไรองค์ไหนทำก็ต้ององค์นั้นถึงพระมหากัตปะท่านก็เป็นธรรมนเป็ น, ปนพระมหาเทระท่านก็สอนแต่พระองค์ในี่โหนโกรธให้พหระองค์นั้นอย่างมาแล้วยังโกรธให้พระมหาเทระอีกว่าพระมหาเทระนี่เข้าข้างองค์นั้นทีนี้มาดุเราอีกต่างหากเนี่ยผลที่สุด เทเรไปบินธบาทพระองค์นี่ก็โมโหโไฟเผาศาลาเลยนะไม่ใช่ธรรมดาในะพระในครั้งพุทธกาลนะพวกเราทั้งหลายฟังหน่อยอิถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเลยกิเลสในยุคนั้นกับกิเลสในยุคนี้มันเหมือนกันนะเหมือนกันไม่แพ้กันเลยในความโมโหเอเผาไฟเฉยๆก็เปิดแหนบแล้วหนีแต่องค์พระมหากจรป่าในท่านก็อยู่อยู่ตามลาพัง องนั่นกันี้องค์ที่ปฏิบัติท่านก็อยู่ต่อองค์ที่เผาแล้วกันหนีแต่นี้ต่อมากันมีพระอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปกราบก่อนที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไปเยี่ยมเยียนพระเถระก่อนพระมหาคตสปะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เลยไปเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจา้าพระพองค์ก็ถามว่าเอออยู่แถบนั้นเป็นไงได้ยินข่าวปัสสาวะไหมลูกของเรานะพวกเธอได้เห็นไหมเห็นอยู่พระเจ้าข่า พว ก, กผมก่อนที่จะมากราบพระพุทธองค์ในก่อนได้แวะไปกราบท่านพระมหากระจปาอยู่จ่ะค่เออท่านผาสุกดีอยู่เหรอพระเหล่านั้นก็กราบทูลว่ากับส่วนองค์ของท่านก่อนผาสุกดีอยู่ไม่มีอะไรแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลูกน้องเอาไฟเผาศาลาเออทุบตุ่มทุบองค์เผาศาลาอีกต่างหากพระพุทธองค์บอกว่านยแต่ก่อนก็เคยมีมาแล้ว ลูกศิษย์ของท่านกับกัจปะเนี่ยเป็นคู่อริสอนแล้วไม่ฟังมีอยู่พระสงฆ์กัเหล่านั้นก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าพวกท่านทั้งหลายจะฟังหรือเอาตั้งใจฟังในอดีตชาติมีนกขมิ้นคือนกตัวสีเหลืองมันทำาลังอยู่ในต้นไม้ใหญ่และมีลิงก็โหนไม้มา มาเห็นนกขมิ้นนกขมิ้งก็อยู่ในหลังก็โผหัวออกไปบอกว่าลิงทําไมท่านก็ดูหน้าตาของท่านแล้วก็เหมือนมนุษย์มนุษย์เขายังทําบ้านทําเรือนอยู่ได้ท่านมีทตหางเทา่านั้นแหละต่างจากมนุษย์แต่อย่างอื่นท่านเหมือนมนุษย์หมดแต่ท่านทําไมไม่ทําบ้านเรือนเหมือนมนุษย์บ้านเรือนของมนุษย์เขาอยู่นะเขาอยู่แบบเขามีบ้านมีเรือนหลบแดดหลบฝนได้ แต่ท่านเลยทาไมมาตากฝนเย็นตัวสั่น ง, งานงกอยู่อย่างนี้ทําไมท่านถึงไม่ทําบ้านเหมือนกับมนุษย์เขาทางกลิงเนีกโมโหขึ้นมาหาว่าเขาดูถูกตนเองใช่ทั้งที่ตัวเองก็หนาวอยู่แล้วเนี่ยมันมาพูดอีกนกเนี่ยเก็เลยกลิงตัวนี้ก็บอกว่าง่าหน้าตาเหมือนมนุษย์ก็จริงอยู่แต่ข้าไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์ข้าขาดปัญญาขาดความอดทน แกจะมาสอนอะไรกับเราเนี่ยเราจะไปขยี้เดียวนี่แหละพอว่าเนี่ยจลิงกระโดดเข้าไปจะขยี้นกนกกับบินออกจากหลังเลยขยี้ได้ตลังหลังแหลกเลี้ยวไปหมดยโยนลงจากต้นไม้นี่แหละพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนกขมิ้นเนี่ยที่กัดสั ป, ปะเนี่ยนะลิงตัวนั้นก็คือพระภิกษุเกเรองนี่แหละสมัยนั้นก็เป็นลิงเกเร เขามาพบนิชาต์นี้จะเป็นพระภิกษุเก เ, เาารเผาศาลาของอาจารย์ที่ฉันอาหารนี่แหละจากนั้นไปท่านบอกว่าพระองค์นี้แต่ตายทําลายขันแล้วก็คือเขาจะลงสู่เอเวจีมหานรกสร้างบาปกรรมให้ตัวเองแท้แท้แต่ตามไม่จริงขาดความอดทนอาจารย์ก็สอนในทางที่ถูกต้องแต่ตัวเองขาดความอดทนสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเองไม่น่าจะทําอันนี้แหละภาระชน พและชนไม่น่าจะทำความชั่วอย่างนั้นความชั่วอจะทำเฉลยดีกว่าเมื่อทำไปแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเดือด้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทวาพระหานเนี่ยท่านรู้ได้ไหมว่าลูกศิษย์ทำอะไรทั้งที่ท่านพระมหา ก, กรตปากัประเภทที่ว่าเตวิโชฉะพินโยปฏิสัมพิทัปปโต เป็นพระหรหัสสามจำพวกนั้นคือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิตู้จักอดีตอนาคตรู้จักการดักใจถ่ายใจแสดงฤทธิ์ได้หเหาะเหินเดินฟ้าได้คือพระหรหันเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปโตสามจำพวกแต่พระหรหัสสุขวิปัสโกเนรู้แต่ว่าตัวเองได้สำเร็จหมดกิเลสราคะโทสะโมหะและจบไม่มีอิทธิฤทธิ นี่แหละพระหันในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธเจ้ามาอยู่สีจ่จำพวกนะแต่ตื่ถึงได้จำพวกไหนก็เถอะความบริสุทธิทธ์หลุดพ้นและเสมอกันพอจุตินิพพานอนุปาทิเสสนิพานและเสมอกันแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่อุปาทิเสสนิพานยังมีเหลื่อมล้ำกว่ากันพระเห่อเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้พระหันสันจำพวก แต่พระอรหันตุขะวิปัสสโกนี่รู้แต่ ว, ว่าหมดกิเลสแต่พอเข้าสู่นิพพานแล้วเสมอกันทั้งสี่จำพวกไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช่ไหมเสมอกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าเสมอกันเสมอกันโดยธรรมเสมอกันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เสมอกั น, น, มกนไม่มีอันไหนยิ่งหยอนกว่ากันหลับพอนอนโมทนาให้พ้